ตอนที่แปบห้าแอบไปพบโจเจี้ยนเยี่ยลับหลังพวกคุณพ่อลูกมัวแต่กระสิบประซาอะไรกันอยู่ข้างนอกนะอากาศหนาวขนาดนี้ทำไมไม่เข้าไปคุยในบ้านละ่ะหลีชิงถิงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อเห็นเจิ้งหยุนชงยังไม่ยอมเข้าบ้านเสียทีจนใบหน้าที่หนาวสั่นเริ่มแดงระเรื่อเจิ้งหยุนชงลังเลเล็กน้อยเขาคิดว่าควรบอกเรื่องนี้ให้หลีชิงถิงรู้เรื่องที่เกี่ยวกับเสี่ยหวานนั้นจะปิดบังเธอไม่ได้เมื่อกี้เซ้าเหิงบอกผมว่าตอนเขาเลิกเรียนกลับมาวันนี้บังเอิญเห็นเสี่ยหวานถูกคนังแกนะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหลีชิงถิงก็เปลี่ยนไปทันทีเสี่ยวหวานถูกรังแก ง, งั้นหรือเกิดอะไรขึ้นเสี่ยหวานไปล่วงเกินใครเข้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงทําไมฉันไม่เห็นเธอเล่าให้ฟังเลยไม่ใช่ทั้งนั้นคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนฟังผมค่อยๆพูดก่อนเจิ้งหยุนชงเอ๋อร์ปลอบประโลมให้หลีชิงถิงสงบสติอารมณ์เขาขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆเธอแล้วพูดต่อเสี่ยวหวานบังเอิญไปเจอพวกดักล้นเข้าเศร้าเหงิงบอกว่าคนพวกนั้นพุ่งเป้ามาที่เงินตอนนี้เสี่ยหวานพอจะมีเงินติดตัวอยู่บ้าง เงินแค่นั้นมันจะไปสําคัญอะไรต่อให้จะปล้นเงินก็ควรไปปล้นผู้ใหญ่สิจะมาจ้องเงินไม่กี่เมาในกระเป๋าเด็กมันไม่มีความหมายเลยทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นส่วนสาเหตุคงมีแต่พวกเขาสองคนที่รู้เจิ้งหยุนชงวิเคราะห์อย่างใจเย็นประเด็นสําคัญคือหากเสี่ยหวันต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกในอนาคตจะทํายังไงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เศร้าเหิงจะไปเจอเข้าทุกครั้งฉันจะไปบอกเสี่ยหวันว่าต่อไปห้ามออกไปข้างนอกคนเดียวมันเสี่ยงจะเจออันตราย หลีชิงผิงลุกขึ้นเตรมจะเดินออกไปแต่เจิ้งหยุนชงรีดคว้าข้อมือเธอไว้เดี๋ยวก่อนตอนนี้ลูกน่าจะหลับไปแล้วมีอะไรไว้พรุ่งนี้ค่อยพูดก็ได้ที่ผมจะสื่อก็คือเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นฝีมือของศัตรูเจิ้งหยุนชงขมวดคิ้วพลางวิเคราะห์ผมคิดว่าความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะชิงเงินนั้นมีไม่มากแต่ถ้าบอกว่าเป็นการแก้แค้่ละก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวแบบนี้ดูจะสมเหตุสมผลกับว่า เด็กตัวแค่นี้จะไปมีศัตรูที่ไหนได้หลีชิ ง, งผิงพูจบก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ร่างกายของเธอแข็งทื่อไปทันทีฉันรู้แล้วคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นฝีมือของโจเจี้ยนเยี่ยเขาเหรอเจิ้งหยุนชงครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานอะไรได้แต่คาดเดาไปเรื่อยเปื่อยแต่เรื่องนี้ผมจะสื่อให้ชัดเจนเองคุณไม่ต้องกังวลเกินไปนะักจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรหลีชิงถิงกังวลจนแทบจะนอนไม่หลับทั้งคืน เธอยิ่งสงสัยว่าเป็นฝีมือของโจเจียนเยียผู้ชายคนนี้ทนเห็นพวกเธอได้ดีไม่ได้เลยจริงๆหลี่ชิงผิงไม่อยากข้องเกี่ยวกับโจเจียนเยียและหลิวเคอเคอแม้แต่น้อยแต่คนสองคนนี้กลับชอบเสนอหน้าเข้ามาหาเองไม่ได้การครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องเป็นฝ่ายรู้ก่อนจะมัวรอให้เจิ้งหยุนฉงสืบสวนอย่างเดียวไม่ได้แล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาหลี่ชิงผิงจึงหาข้ออ้างออกไปเดินเล่นแต่ความจริงคือเธอแอบออกจากเขตบ้านพักทหารไปพบโจเจียนเยีย โจจี้เยี่ยกำลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนามฝึกซ้อมเมื่อเห็นหลี่ชิงผิงตามมาหาปฏิกิริยาแรกของเขาคือคิดว่าเธอมาหาเจิ้งหยุนชงใครจะไปรู้ว่าเธอพุ่งเป้ามาที่เขาโจเจี้เยี่ยฉันมีเรื่องจะถามคุณหลี่ชิงผิงพูดเข้าประเด็นทันทีคุยตรงนี้ไม่สะดวกเราไปหาที่อื่นคุยกันเถอะโจจี้เยี่ยมองไปรอบๆเห็นว่ามีคนเริ่มสังเกตเห็นพวกเขาจึงพยักหน้าเบาๆแล้วตอบว่าตกลง ทั้งคู่เปลี่ยนสถานที่คุยกันโดยไม่ได้ไปไกลนักย้ายไปที่ใต้ต้นหยางตรงนี้ค่อนข้างเงียบสงบกว่าหาผมมีธุระอะไรเสี่ยหวานเป็นอะไรไปในตอนนี้ความเกี่ยวพันเพียงอย่างเดียวระหว่างพวกเขาคือลูกสาวโจเจี้ยนเยียจึงนึกถึงเสี่ยวหวานเป็นอันดับแรกที่ฉันมาหาคุณก็เพราะเรื่องลูกจริงๆโจเจี้ยนเยี่ยบอกความจริงกับฉันมาคุณแอบสมคนมารังแกพวกเราแม่ลูกหรือเปล่าพูดจะเละอะไรผมจะหาคนไปรังแกพวกคุณทําไม โจวเจี้ยนเ ย, ย่ถามกลับอย่างหมดคำจะพูดเขาว่างานมากนักหรือไงหรือว่ารวยมากทุกวันนี้ชีวิตเขาก็ขัดสนจนแทบจะเอาตัวไม่รอดจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างคนมารังแกพวกเธอแม่ลูกโจวเจี้ยนเ ย, ย่เริ่มเข้าใจแล้วว่าวันนี้หลีชิงถิงตั้งใจมาคิดบัญชีกับเขาผมไม่ได้ทําโจวเจี้ยนเ ย, ย่ได้สติจึงรีตอบกลับผมไม่ได้หาคนไปรังแกพวกคุณผมไม่มีวันทําเรื่องแบบนั้นแน่พวกคุณไปเจออะไรมากันแน่อย่ามวัวแต่อ้อมค้อมบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้น เซียววานถูกคนสองคนดักชิงเงินตอนออกไปข้างนอกคุณฟังแล้วไม่รู้สึกว่ามันประหลาดบ้างเหรอผู้ชายตัวโ ต, วตวสองคนมาดักชิงเงินเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ล, ลีชิงผิงจ้องมองโจวเจี้ยนเย่ยตามไม่กระพริสพยายามจะจับผิดว่าผู้ชายคนนี้ปิดบังอะไรเธออยู่หรือไม่ตอนนี้เธอไม่เชื่อใ จ, จโจวเจี้ยนเย่ยเลยถ้าไม่ใช่ฝีมือคุณตั้งแต่พวกเราแม่ลูกย้ายมาอยู่ในเมืองก็ยังไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใครแล้วจะเป็นใครไปได้อีก โจวเจียนเ ย, ย่ไม่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่และคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่อย่าให้ฉันสืบจนเจอไม่อย่างนั้นฉันได้ปล่อยคุณไว้แน่ตอนที่เราอยากกันฉันไว้หน้าคุณมากพอแล้วลูกสาวคือขีดจํากัดของฉันหากคุณกล้าแต่ต้องขีดจํากัดของฉันต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะสู้กับคุณจนถึงที่สุดโจวเจียนเ ย, ย่เพิ่งเคยถูกใส่ร้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาถึงกับอึ้งไปชั่วขณะไม่รู้จะพูดอะไรดีหากไม่ใช่เพราะคํานึงว่าหลีชิงผิงกําลังตั้งท้องอยู่โจวเจียนเย่่ยไมมมมีททาางยออนนนรรรับควุธ้แนะ คุณเข้าใจผมผิดจริงๆผมไม่รู้เรื่องนี้เลยบอกตามตรงนะตอนนี้ชีวิตผมไม่ได้ดีเดชอะไรผมไม่มีเรี่ยวแรงเหลือไปวางแผนทำร้ายพวกคุณหรอกคุณไม่ได้ทำก็ไม่ได้หมายความว่าเมียคุณไม่ได้ทำสิ่งที่เมียคุณทำก็เท่ากับคุณเป็นคนทำนั่นแหละคำพูดของหลีชิงผิงทำให้โจเจี้ยนเย่ฉุกคิดขึ้นมาได้เขาไม่ได้ทาแล้วหลิวเคอเ ค, อ, เคอละ่ะจะเป็นฝีมือของเธอหรือเปล่าโจเจี้ยนเย่ยลอบปลื้น้าลาย คุณกลับไปก่อนเถอเรื่องนี้ผมจะให้คำตอบที่น่าพอใจกับคุณแน่นอนถ้าเป็นฝีมือของหลิวเคอเคอจริงๆผมก็จะไม่ปล่อยเธอไว้เหมือนกันงั้นเหรอเราอยากกันแล้วคุณจะยังมาแซงทำเป็นคุณพ่อแสนดีที่รักลูกสาวไปทำไมอีกละ่ะไม่เหนื่อยบ้างเหรอหากในใจของโจจีน้นมีลูกสาวอยู่บ้างหลีชิงถิงคงไม่ผิดหวังในตัวเขาถึงเพียงนี้และต่อให้เห็นกนลูกเธอก็คงไม่อยากกับเขาหรอก ผมยอมรับว่าเมื่อก่อนผมเคยทำเรื่องที่รู้สึกผิดต่อพวกคุณแม่ลูกและผมก็ได้ใช้เงินชดเชยให้พวกคุณไปแล้วคุณอย่าเอาแต่พูดจาประชดประชันใส่ผมแบบนี้เลยฉันพูดจาประชดประชันแต่มันก็ยังไม่เท่ากับสิ่งเลวร้ายที่คุณทำหรอกช่างเธอผมไม่อยากทะเลาะกับคุณโจเซียนเย่ยพูดได้เพียงครึ่งเดียวก็สังเกตเห็นเจิ้งหยุนฉงเดินตรงเข้ามาชายผู้นั้นยื่นมือมาโอบ ก, กอดเธอไว้ในอ้อมแขนราวกับจะประกาศความเป็นเจ้าของเป็นอะไรไปอยู่บ้านเบื่อเลยออกมาหาผมเหรอวันนี้ผมจะรีบปรับไปอยู่เป็นเพื่อนคุณน่าตก ลี่ชิงพิงมองเจิ้งหยุนชงแล้วรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกเธอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกผิดเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะรู้สึกผิดที่แอบออกมาพบโจเจี้ยนเยี่ยรับหลังเขาทั้งที่เจิ้งหยุนชงบอกชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ให้เขาจัด ก, การเองแต่ลี่ชิงพิงกลับไม่ฟังออกมานานหรือยังกลับบ้านก่อนนาดีไหมลี่ชิงพิงพยักหน้าพรางตอบรับอืมตกลงฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แหละ ว, วันนี้คุณรีบเลิกงานกลับบ้านเร็วๆนะอึมได้เลย